ขอน้อมน้อมต่อคุณพระตนไตร ข, อ, อ, ข อ, อน้อมน้อมและนวัสการหลวงพ่อคำเขียนแล้วเขากาศเพื่อนตะทำมรกทุกท่านาจเจริญธรรมอาไมชีและญาติธรรมทุกท่านก็วันนี้ก็หลวงพ่อคำเขียนก็นิมนต์ให้อัตมาก็แสดงธรรมนะ ชีวิตเราก็ผ่านมาแบบนี้นะมีทั้งความสุขความทุกขนะ์ความร้อนความหนาวนะชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสะดวกสบายทุกทุกคนหรอกนะมันต้องประจนกับสิ่งต่างๆอุปสรรคต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรา เ, เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใชตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ก็ใส่พื้นฐานจากการที่เร า, เาได้พบบ่อยๆอถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตานี่แหละมันจะได้สอนเราให้เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงนะครันนี้เราก็เลยเามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นะ เพราะถ้าเราอยู่แต่ในชีวิตประจำวันโดยเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากลับมารู้จักจิตใจของเราเท่านั้นเองนะครันนี้เราก็ใส่ความรู้สึกตัวนี่แหละกลับมานะกลับมารู้ที่กายรู้ที่ใจเรานะพอเรารู้บ่อยๆนะรู้กายรู้ใจนะกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ รู้ในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำก่อนนะใส่พื้นฐานจากการที่เรายกมือสิมสีจังหวะนะเป็นเครื่องรู้นะพลิกมือก็รู้ยกก็รู้นะเลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เนี่ยใส่สิ่งเราเนี่ยมารู้นะลุงวัเทียนนะบอกว่าให้รู้ตัวเนิบลูกโซนะ่ก็คือให้เราเนี่ยอยู่กับตัวปฏิบัติเนี่ยทั้งวันนะ เป็นลูกโซ่เลยนะคำว่าลูกโซ่ก็คือหมายความว่ารู้เป็นข้อๆนะรู้สั้นๆไม่ต้องรู้ยาวนะถ้ารู้ยาวเนี่ยก็เป็นการเอาไปเพ่งเอาไว้นะเขาเรียกว่ารู้แบบเหล็กเส้นนะมันก็ทําให้อ่าเป็นสมถะไปนะเพราะจิตนี่จะแข็งจะทื่อเนี่ยครั้นี้นะถ้าเรารู้สั้นๆนะรู้แล้วก็ทิ้งรู้สั้นๆเท่านั้นเองนะรู้แล้วก็หลงหลงแล้วก็กลับมารู้ใหม่เนี่ย อันนี้เ้าเรียกว่ารู้เป็นขนะข น, ขนนะไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้นๆนะอันนี้เ้าเรียกว่าเป็นข้อๆเป็นลูกโซ่นะอาศัยสิ่งเรานเนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตไปนะเพราะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวน่ลกายเคลื่อนไหวนะไม่ไว่าจะยกมือ14บ่ยังวะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะ่ะอันเนี้ยมันเป็นขนะขนนะเพราะนั้นการรู้เนี่ยไม่ต้องรู้เยอะรู้แค่เคลื่อน ก็รู้หยุดก็รู้แค่นี้เองนะมันจึงมีแค่สองจังหวะเท่านั้นก็คือเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เนี่ยแค่นี้เท่านั้นมันก็ง่ายง่ายนะการเคลื่อนเนี่ยเป็นเหตุนะรู้เนี่ยเป็นผลนะเหตุและผลมันสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันไม่ต้องไปหาอะไรมากไปกว่านั้นว่าเออผลของมันอยู่ตรงไหนนะแต่แค่เราเคลื่อนนะเป็นเหตุ مر. รู้เป็นผลแค่นี้มันก็จบอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเป็นขณะ ขณะไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จิตของเราเนี่ยสามารถรู้ได้ไม่ยากน ะ, ะหรือการเดินจงกรมก็เหมือนกันนะเราก็รู้เป็นขณนะขณะเท้าวระทบพื้นก็รู้นะเท้าวทบพื้นก็รู้เป็นขณะขณะไปก็พอแล้วยังนะไม่ต้องไปหารายละเอียดมากมายนะไม่ต้องไปรู้ถึงว่าเย็ยนร้อนอ่อนแข็งของเท้ากระทบนะหรือว่าต้องรู้ความนุ่มความแข็งของพื้น ถ้าไปตั้งใจรู้มากเกินไปมันจะกลายเป็นสมถะไปอีกนะกลายเป็นการระไปเพง่งไปจ้องเพื่อที่จะรู้รายละเอียดนะการที่เราไปตั้งใจรู้รายละเอียดนั่นแหละมันจะทําให้เรากลายเป็นสมถพะพอเป็นความตั้งใจเมื่อความตั้งใจมีมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นไปเพง่งไปจ้องไปประคองเอาไว้ น, นะมันก็เลยกลายเป็นสมถะไปนะเพราะว่าก <c oughs> ารปฏิบัติเจริญส ต, ติเนี่ยมันเป็นการที่รู้ไม่ต้องรู้ ตั้งใจมากเกินไปนะถ้าตั้งใจมากเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นไปเพง่งไปจ้องไปประคองเมื่อนั้นนะมันจะกลายเป็นรู้ยาวๆไปนะเพราะนั้นรู้สั้นๆรู้แล้วก็ทิ้งเท่านั้นเองนะมันจะเห็นความที่เราหลงไปนะหลงหลงไปแล้วก็กลับมาหลงไปแล้วกลับมานะเหมือนที่หลวงพเทียนท่านก็พูดไว้ในซีดีบอกว่ายิ่งคิดก็ยิงรู้นะ <c oughs> ยิงคิดก็ยิงรู้ก็คือนะ ยิงเรามีความคิดบ่อยๆเนี่ยเ ร, เรากลับมารู้ได้นะอันนี้แหละคือสตินะเพราะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองรนะะลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะเราก็กลับมารูนะ้คิดไปแล้วก็กลับมารูเนี่ยมันก็เป็นความระลึกได้ระลึกได้บ่อยๆนะสติก็จะโตเร็วนะแต่ถ้ามันระลึกได้น้อยนะหรือนานๆระลึกได้ทีนึงเนะพราะเราไปบังคับเอาไว้ให้จิตสงบมากเกินไปนะี่ย การที่จะกลับมาระ ล, ลึกได้มันก็น้อยเกินไปนะจิตมันก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นยิ่งเราคิดบ่อยแต่เรารู้บ่อยเนี่ยก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังนะจิตจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่เราหลงแล้วกลับมารูเนี่ยจังหวะที่หลงแล้วกลับมารู้เนี่ยจิตก็จะตื่นจิตจะตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละขณะได้บ่อยๆนะ จงหวะหลงกลับมารู้หลงกลับมารู้นนะจิตก็จะตื่นอันนี้ก็เป็นการเขย่าท่านรู้นะขยา่าเขย่าทันรู้เนี่ยให้โตขึ้นจิตก็จะมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตสามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เองนะอีกหน่อยนะมันก็จะทํางานของเขาได้เองนะเมื่อมีความคิดแวบหนึ่งก็จะรู้ทันได้เร็วขึ้นนะหรื อ, อขยับเนื้อขยับตัวนิดนึงจิตก็จะรู้ทันได้เร็ว เพราะว่ามันสามารถที่จะตื่นรู้ได้แล้วเนี่ยเมื่อเราตื่นรู้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจการปฏิบัติธรรมการเจอสติว่าเออจิตของเราเนี่ยมันรู้ได้แล้วนะมันตื่นได้แล้วนะพอเราเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวได้ตลอดเวลานะ คำาง่ายขึ้นก็คือนะมันจะไม่ไปคิดอะไรเยอะนะมันจะรู้เท่านั้นเองนะรู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็วางไม่คิดเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะพอมันไม่คิดเยอะเนี่ยมันก็จะกลับมา อ, อยู่กับกายอยู่กับใจของเราได้บ่อยๆนะมันก็จะไม่ไหลออกไปข้างนอกมากนะเมื่อกระทบอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เท่าทันนะเกิดการรู้เท่าทันในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ใจนึกคิดเนี่ยก็จะรู้เท่าทันได้เร็วนะจากการที่เคยหลงไปไกลหลงไปนานนะก็กลับมารู้ได้เร็วขึ้นนะหรื อ, อบางทีเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ขี้งุนหงิดนะขี้ใจร้อนอขี้โกรธซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาให้เรานะแต่พอเรามีสติเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านี้พอเรามีความงุนหงิดเราก็รู้ทันนะมีความเครียด มีความเหงามีความกลัวมีความอิจฉาลิษยามีความน้อยใจสิ่งต่างๆเราเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้ไม่ทันนะพอเรารู้ไม่ทันมันก็เข้ามาเกาะจิตของเราพอเกาะจิตปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปปรุงแต่งไปจิตมั่นถือมั่นในอรมเหล่านั้นนะแล้วก็ไปคิดวนเวียนนะไปยําคิดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราก็มีความทุกข์นะแต่พอเรารู้เท่าทันแล้วออ้ขณะนี้เรากำลังเกิดอะไรขึ้นใ น, ในจิตใจของเรา ขนาดนี้เรากำลังมีความเครียดความเหงาความกลัวนะความน้อยใจความเสียใจต่างๆพอเรารู้ทันเท่านั้นเองนะแค่รู้เฉยๆเท่านั้นนะอารมณ์เหล่านี้ก็จะดับไปแล้วนะเพราะว่าจิตเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเองนะจิตนี่มันก็ทางอภิธรรมเขาเรียกว่าเกิดทีละดวงนะก็คือจิตคนเราเนี่ย มันจะ ร, รั่วลบในแต่ละขนาดเช่นขณะนี้เรามีความหงุดหงิดอยู่นะอันนี้ก็เป็นขณะหนึ่งแต่เมื่อจิตเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้ก็คือกุศลจิตนะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความหงุดหงิดซึ่งเป็นอกุศลก็ดับไปนะเพราะจิตมันทํางานได้ขณะเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ต้องดับไปนะอันนี้ก็เกิดจากความรู้สึกตัวที่เราสามารถรู้เท่าทัน อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้โดยการรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะอันนี้แหละก็คือเป็นประโยชน์ที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆนะชีวิตของเราเนี่ยมันจะประสบสิ่งต่างๆเราเนี่ยทุกวันนะทั้งวันนะก็คือนะความยินดีความยินร้ายเนี่ยแทบทั้งวันนะผู้ที่ไม่มีสติก็จะไหลเข้าไปนะในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าขณะนี้เรากำลังมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไหลไปไหลไปนะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความทุกข์มากแต่ก็ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขามีความทุกข์นะความทุกข์นี่จริงๆแล้วแสดงให้เกิดปรากฏในอารมณ์ต่างๆนะเช่นความเหงาความกลัวความเครียดความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันแสดงออกของเราแต่เราไม่รู้ว่านี่แหละ คือความทุกข์ที่มันแสดงออกมานะเรามีมีความยินดีเราก็ไปพอใจในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือความทุกข์อีกนั่นแหละนะเพราะความยินดีมันก็ไม่เที่ยงนะหรือไม่อารมณ์ที่มันทำเรายินร้ายความไม่พอใจต่างๆเราก็ไป ม, มีความทุกข์นะบางคนก็มีความพอใจเสียอีกน ะ, ะมีความโกรธเรืบบ่อยๆก็ดีนะคนจะได้กลัวเรานะอันนี้ก็เป็นความที่เขาไม่เข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้น พอไม่เข้าใจก็ไปยึดอารมณ์เหล่านั้นนะการที่ไปยึดอารมณ์เหล่านั้นนะั่นแหละทำให้จิตของเราเนี่ยมีความทุกข์บ่อยๆนะแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจแนวอารมณ์เหล่านั้นได้โอ้สิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะมันเข้ามามันก็แค่ผ่านเข้าแล้วก็ผ่านออกมันไม่ใช่อยู่กับเราถาวรที่ไหนนะเพราะนั้นนะ่ะถ้าใครเข้าใจตรงนี้เนะี่ ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นะเพียงแต่เราให้เห็นบ่อยๆเท่านั้นเองนะเห็นบ่อยๆเข้าใจเขา้าบ่อยๆเขาก็จะจากไปนะเขาไม่ได้อยู่กับเรานานนะแต่ถ้าบางคนคิดไม่ได้ในตรงนี้โอ้เรามีความทุกข์มากนะออกจากความคิดไม่ได้นะบางคนไปฆ่าตัวตายเลยก็มีนะเพราะไม่สามารถที่จะออกจากอารมณ์เ่าเนี่ยได้นะ คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะเห็นอารมณ์พวกนี้ยเหมือนกับอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนท่านก็บอกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเป็นผู้ดูเท่านั้นนะไม่ได้เป็นผู้เป็นนะอันเนี้ยเป็นคําที่สําคัญมากเลยนะรู้แต่ไม่เอานะเพราะว่าถ้าเราไปเอาหรือเราเป็นผู้เป็นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีความทุกข์นะ เราเป็นผู้เครียดนะกับเราเป็นผู้เห็นความเครียดเนี่ยต่างกันนะเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนมากคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นผู้เครียดโอ้เป็นผู้เครียดเนี่ยเครียดจังเลย <c oughs> วันนี้เครียดจังเลยเนี่ยเราก็ทุกทันทีนะแต่พอเรากลับมาดูโอ้เราเห็นความเครียดนะเรารู้ความเครียดเนะ่ย ถ้าเราเห็นอหรือเรารู้ปั๊บเนี่ยความเครียกก็จะหายไปเลยนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเราลองสังเกต ด, ดูนะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นนะมีความเครียดนะความหงุดหงิดในใจเรากลับไปเป็นผู้ดูนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับหายไปนะมีสติกลับไปเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะมันจะดับหายไปทันทีเลยนะนะเป็นสิ่งที่มาสัจจั์ของความรู้สึกตัวนะ เพราะนั้นถ้าเรากลับมาบ่อยๆนะกลับมารู้จักตัวเราเองบ่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไปนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมึกก็อยู่ภายนอกเลยนะอยู่ภายนอกของเราทั้งสิ้นนะเหมือนกับเราดูละครนะหรือดอูการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้ว เ, เราก็ไม่เข้าไปเป็นในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นตรงนี้ได้นะแต่เมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้แสดง ละครเหล่านั้นทุกๆครั้งนะพอเรากลับมารู้สึกตัวปับ๊บมันจะกลับมาดูทันทีเลยนะแล้วมันก็ไม่เข้าไปในลมเหล่านั้นนะทุกๆครั้งนะการที่ไม่เข้าไปในลมเหล่านั้นอ่ะก็คือเราจะเราจะไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้ก็คือความเป็นมหัศจรรย์ของความรู้สึกตัวนะสิ่งเราเนี่ยมันต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองนะไม่มีใครทําให้เราได้หลอกนะเหมือนกับ ก, กินอาหารนะรับประทานอาหารเราก็ต้องรับประทานด้วยตัวเราเองเราจึงจะอิ่ม <c oughs> ถ้าเราให้คนอื่นรับประทานให้เราก็ไม่อิ่มนะการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันนะเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองนะเราเราจะรู้จักในสิ่งเหล่านี้ว่า เ, ออเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะใจเราจะมีความเย็นลงนะความงุนงิดเราก็น้อยลงนะเราจะมีใจที่เมตตามากขึ้นนะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ไม่นานนะแค่เราไปบัตให้ถูกทางเท่านั้นเองนะ เราเนี่ยจะมีความอ่อนโยนจะเบาจะละเอียดขึ้นนะเราเคยทำสิ่งที่ทำเหมือนกับสมัยก่อนนะเช่นอาจจะเคยปิดประตูดังๆนะโยนของโยนสิ่งของนะทำสิ่งต่างๆด้วยความหยาบเนี่ยจิตก็จะค่อยๆละเอียดเมื่อละเอียดแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างมีสติมากขึ้นนะจะไม่ไม่ปิดประตูเสียงดังๆจะไม่โยนสิ่งของนะ เราจะมีความปรานิตในการที่เราจะอยู่ในชีพําวันของเราเนี่ยได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราเจริญสตินะมีความรู้สึกตัวนั่นเองนะอันนี้ก็คือผลที่เรากลับมารู้จักตัวของเรานะรู้จักตัวของเราแล้วนะว่าเป็นอย่างไรนะพอเรากลับรู้จักตัวของเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจรมของเราทุกๆอย่างเลยนะพอเราเข้าใจลมของเราแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ด้วยนะเราจะเห็นเออคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรเนี่ย คือจิตมันจะเริ่มละเอียดขึ้นมันก็จะเริ่มเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นนะอันเนี้ยทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารนะสามารถที่จะอยู่ในสังคมอ่าอยู่ในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและเราจะอยู่กับเขาได้ด้วยความรักความเมตตานะความรักความเมตตาเราจะมีมากขึ้นนะไม่จะตกกันข้ามกับเมื่อก่อนที่เราอ่าเป็นคนแข็งกระด้างนะเป็นคนเห็นกก่ตัว <c oughs> มันก็จะเปลี่ยนทุกๆอย่างเลยนะถ้าเราปฏิบัติให้ถูกทางสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะเพราะเราก็มาเริ่มจากาเขาเรียกว่าเริ่มต้นก่อน <c oughs> เริ่มต้นในการที่เราจะรู้รู้อยู่กับกายก่อนนะอยู่กับการเคลื่อนไหวภายนอกนั่นแหละเคลื่อนไหวสืบสีจ่จังหวะแล้วก็เดินจงกรมอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในรูปแบบนะส่วนนอกรูปแบบนี้มีเยอะมากเลยนะ นั่งรูปแบบเราก็อาบน้ําแปรงฟันนะล้างหน้ากนะวาดบ้านถูบ้านนะซักเสื้อผ้านะเดินไปไหนมาไหนไปเข้าห้องน้ำนะเดินไปกุฏินะไปสาลาหน้าไปหอไตนะหรือไปเดินบิณบาศเนี่ยเราก็รู้สึกตัวได้ตลอดเวลานะอันเนี้ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้ตลอดเวลาทั้งวันนะและการที่เรารู้สึกตัวทั้งวันเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะเพราะว่า นอกเวลานี่ยหรือว่านอกจากสิบสีจังหวะเลยด้ยจังกรมแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านะเพราะสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งวันกับเราอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าให้เวลาแต่ละเวลาผ่านไปนะอ า, าจารย์ไพศาลถามหลวงเมธีนบอกว่ า, าจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างหลวงเมธีนบอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือมันต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะ ตอเนื่องเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องอย่างที่ว่านะคือต่อเนื่องไปลูกโซ่นั่นเองไม่ใช่ไปเพง่งไปจ้องไปคอยประคองเอาไว้อนั้นก็ไม่ใช่าการปฏิบัติที่เจริญสติที่จริงๆนะคราวนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องทั้งวันแล้วก็ให้ติดต่อกันนะไม่ก็การที่เร า, าจะสีไฟนะสีไฟเนี่ยมันจะต้องไม่ไผ่มาแล้วให้เหลาให้บาง ๆ, างๆนะแล้วก็มาสีนะจนมันเกิดประกายไฟขึ้นมานะ ก็คือต้องสีไฟให้ต่อเนื่องกันนั่นเองนะถ้าสีไฟแล้วเนี่ยสีแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดเนี่ยมันก็ไม่เกิดประกายไฟขึ้นมานะแต่ถ้าสีไฟต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยสีไม่ถูกหลักนะไม่รู้จักวิธีการเหลาไม้ว่าจะทาอย่างไรนะมันก็ไม่เกิดกับประกายไฟเหมือนกันนะเพราะนั้นการปฏิบัติถ้าเราจะไปบัติให้ต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องบัติ explic. ให้ถูกทางให้ถูกต้องจึงจะได้ผล แต่ถ้าปฏิบัติให้ต่อเนื่องแล้วไม่ถูกทางไม่ได้ผลนะอ่ามันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถูกวิธีการถูกเทคนิคนะอ่าบางคนไปคอยบัคคลองเอาไว้เรื่อยๆนะอ่ารู้สึกตัวบัคคองเอาไว้ไปคอยจ้องคอยเพ่งนะมันก็เป็นแค่สมถะเท่านั้นเองนะแต่ก็นึกว่าเป็นอ่ารู้สึกตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นแค่สมถะนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่เทียนก็เลยให้เทคนิคบอกว่า วางกายกลาง ๆ, ๆวางใจกลางๆไม่เพ่ง ไ, เพงไม่จ้องนะไม่เพ่งไม่จ้องนะเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยนะแล้วหลังนั้นก็ให้รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปรู้มากมายนะเคลื่อนไหวก็รู้นะเคลื่อนไหวนะยกแขนก็รู้นะหยุดก็รู้อ่าเพราะการรู้นะมันการจบในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอะไระไรายละเอียดเกิดเข้ามากมายเกินไปกว่านั้นนะแล้วการรู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ สำคัญมากเลยเพราะคนเราส่วนมากไม่รู้เฉยๆมันก็มีความทุกข์นะคำว่ารู้เฉยๆเป็นอย่างไรนะอ่าเช่นคนเข้ามานินทาเราเนี่ยเราได้ยินที่เข้ามานินทาปั๊บเนี่ยส่วนมากเราไปคิดต่อนินทาเราทําไมอ <c oughs> นะหรือเรื่องคดีทําไมต้องมาว่าเรานะอะ่พอไปคิดต่อปุ๊บเนี่ยก็จะมีความไม่พอใจขึออ้นมาทันทีอัะนะนั้นนี่เขาเรียกว่าไม่ได้รู้เฉยๆนะ รู้เฉยๆก็คือสัมผัสแรกที่มากระทบเท่านั้นเองนะหูได้ยินเสียงนะแค่สัมผัสแรกที่เราได้ยินนะมันก็จบแล้วมันไม่ได้ไปคิดต่อถ้าคิดต่อปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่รู้เฉยๆมันก็จะเกิดอารมณนะ์ความไม่พอใจขึ้นมานะหรือคนก็มาชมเรานะถ้าเราไปคิดต่อโอ้คนที่ดีอย่างเลยนะ้มาชมเราเนียเราก็เกิดความพอใจขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ารู้เฉยๆนะแต่ถ้าเราได้ยิน เออเขาชมเราก็จบแค่แค่ฟังเท่านั้นนะไม่ไปคิดต่ออะไรนะมันก็ไม่มีความยินดีขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสแรกนะก็คือรู้เฉยๆตรงนี้นะหรือตาเห็นรูปเหมือนกันนะใต้รูปมันก็สักได้ว่าเห็นเออผู้หญิงผู้ชายนะสัตว์นะ ส, ส, นะสวยไม่สวยจบแค่นี้ก็พอแล้วไม่ไปคิดต่อโอ้อันนี้สวยจังอันนี้ดีจังอ่าอันนี้น่ารับประทานนะ เมื่อเกิดความคิดนะหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็เกิดความยินดีร้ายขึ้นมามันก็ไม่จบนะเพราะนนั้นก็สัมผัสแรกเท่านั้นเองนะจบที่ตาจบที่หูไม่ต้องไปคิดต่อเนี่ยมันก็ไม่มีความยินดียินร้ายนีอันนี้การรู้เฉยเนียมันก็จะมาตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่พระพายยะบอกว่าพระพายยะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบ เมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะคําว่าสักตะวาก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆเนี่ยมันก็จะดับไปอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่เกิดนะเกิดจากการที่เราสามารถรู้เฉยๆได้นะนะอันนี้เป็นประโยชน์มากนะถ้าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันเพื่อให้เข้าถึงตัวรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้เฉยๆนะ เมื่อรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะกิเลสจะเข้ามาในใจของเราไม่ได้เลยนะมันจะมาหยุดแค่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองมันจะเป็นแค่ว่าภายนอกนะภายนอกเสียงตามันก็อยู่แค่ภายนอกเขาเรียกว่าอารมณ์ภายนอกนะกับอารมณ์ภายในนะอารมณ์ภายนอกเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดเลยนะเรื่องราวทั้งหมดเช่นใครเข้ามาว่าเราใครเข้ามาชมเราใครดีต่อเราใครทําอะไรกับเราเป็นเรื่องภายนอกทั้งหมดเลยนะเขาเรียกว่าอายตนะภายนอก ส่วนอายัดภายในก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะจิตใจของเราใ น, นเด็กคืออายัตนาภายในนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคืออายัตนาภายในส่วนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความนึกคิดต่างๆอันนั้นคือลมภายนอกนะเมื่อเรามีอ า, อายัตนาภายในก็คือเรากลับมาอยู่ภายในแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปปรุงแต่งนะ เรื่องภายนอกก็เรื่องภายนอกเรื่องภายในก็เรื่องภายในมันก็ไม่ติดต่อกันนะแต่ถ้าแต่เราเรื่องภายนอกเข้ามาสู่ภายในเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็เรียกว่าเป็นการติดต่อกันระหว่างภายนอกและภายในมันก็ไม่รู้เฉยๆนะแต่ถ้าเรารู้เฉยๆแล้วมันจะเป็นแค่สักแต่ว่าเรื่องภายนอกเท่านั้นเองแต่เรื่องภายในนี่เรารู้อยู่นะรู้อยู่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองนะรู้จักตัวเราเอง พราะเรารู้อยู่นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็กลายเป็นผู้ดูผู้รู้ไปไม่เป็นผู้เป็นก็ตรงนี้นั่นเองนะเนี่ย น, นี้มันมันจะกลับมารู้ได้เลยนะว่าภายนอกกับภายในมันไม่ไม่ติดต่อกันแล้วเนะี่ยมันมันตัดออกจากกันได้ก็ตรงนี้ตรงที่เรารู้เฉยเรารู้เฉยก็คือไม่ต้องไปคิดต่อนั่นเองมันก็จบแล้วแค่นั้นนะอ่แล้วอ่าหลวงพ่เทียนก็ยังบอกต่อไปว่าไม่ห้ามความคิดนะ ไม่ห้ามความคิดนะก็คือมันก็คิดได้นะเป็นเสียงลมตะเทียนเองยิงคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปประคองจิตว่าไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนั้นก็คือสมถะนั่นเองนะแต่ถ้าเราคิดก็ไม่เป็นไรเออเราก็รู้ทันคิดแล้วก็ระลึกได้เราก็รู้ทันรู้ทันบ่อยๆนะสติก็จะโตนะเราก็ไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่เป็นไรเออความคิดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคนสามัญทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรม เมื่อเขาหลงคิดเนี่ยจะคิดนานมากนะคิดไปเรื่องต่างๆคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดไปสิบเรื่องร้อยเรื่องก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่นะแต่เ่าเรามีสติปุ๊บเนี่ยคิดเรื่องเดียวเราก็รู้ทันแล้วคิดเรื่องเดียวเราก็รู้ทันเพราะนั้นอ่ะยิ่งคิดบ่อยนะสิบเรื่องเรารู้ทันสิบเรื่องในสติก็โตมาสิบครั้งแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะลงมาเที่ยงก็เลยบอกว่าไม่ห้ามความคิด แล้วก็ท่านยังบอกว่าให้ปฏิบัติให้ต่อเนื่อมลูกโซ่อีกนะต่อเนื่มลูกโซ่เลยทั้งวันนะทั้งวั น, นก็คือตื่นตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยเนี่ยติดต่อกันทั้งวันนะแล้วก็บอกว่าเออเมื่อจะให้มันรู้ต่อเนื่มลูกโซ่เนี่ยก็คืออย่าอยู่นิ่งนั่นเองนะถ้าเรานั่งนิ่งนิ่งปั๊บเนี่ยนะถ้านั่งนิ่งนิ่งปั๊บเนี่ยมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือนะ ใจลอยไปเลยนะใจลอยไปนา น, นะ ค, น, นคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปสิบยี่สิบเรื่องยังไม่รู้เลยนะเลืออย่างนึงก็คือนั่งนิ่งๆแล้วบางคนก็เลยจิตสงบไปเลยนะจิตสงบไปเลยกายมาสมถะไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันนะพอลงพเทียงอว่ายาอยู่นิ่งนะเวลาเรานั่งแล้วก็ขยับให้รู้ตัวนะขยับเนื้อขยับตัวก็ได้นะหรือว่าท่านก็บอกว่า ลึ้นรลงเรือก็ให้คลึงนิ้วขยับนิ้วพลิกมือคว่มพลิกมือหงายกำมือแบมือสิ่งเหล่านี้ก็คือให้เรารู้สึกตัวนั่นเองนะหรือนั่งเมื่อนั่งแล้วก็นั่งสร้าง ส, างสิบสี่จังหวะไปเลยก็ได้น ะ, ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าอย่าอยู่นิ่งนะหรือเมื่อเดินอยู่เราก็รู้สึกตัวในการเดินอยู่ก็เราก็ไม่อยู่นิ่งแล้วนะแต่ถ้าเราเดินอยู่เราคิดนู่นคิดนี่ ถึงขนาดเราเดินนะอันนั้นก็ชื่อว่าเราอยู่นิ่งเหมือนกันนะเพราะเวลาเราเดินไปไหนก็ต้องรู้สึกตัวไปด้วยนี่ก็ชื่อว่าไม่อยู่นิ่งเหมือนกันน ะ, ะแล้วท่านก็ยังบอกว่า อ, อยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าเก้าสบเเอร์ซเลยนะอยากจะได้นะอยากจะได้ในการปฏิบัติธรรมยิ่งบางคนมีเวลาน้อยนะ มาจากกรุงเทพก็มีมาอยู่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันก็คืออยากจะได้นะพออยากจะได้ปั๊บเนี่ยก็มีความตั้งใจนะตั้งใจคําว่าตั้งใจเนี่ยมันก็คือสมถะนั่นเองนะปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีความตั้งใจปุ๊บมันจะกลายเป็นสมถะไปเลยเพราะมันจะเป็นการเอาจริงเอาจังจะไปคอยจ้องคอยเพ่งคอยประคองเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นสมถะไปทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นมันต้องไม่ไม่ต้องไปตั้งใจนะ แค่รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่เพ่งไม่จ้องเนี่ยมันก็จะออกจากความตั้งใจไปได้นะเพราะไม่ตั้งใจเนี่ยรู้เล่นๆมันก็ได้ผลเองนะเหมือนที่พี่อาจารย์เมสหาจะบอกบ่อยๆว่าอทําเล่นๆแต่ทําไปเรื่อยๆนะก็คือทําเล่นๆแต่ทําให้ต่อเนื่องนั่นเองนะเพราะนั้นก็อย่าไปตั้งใจนะถ้าตั้งใจปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไปคอยประคองเอาไวน้นะไปคอยเพ่งคอยจ้อง ไปคอยดนะูมันก็ไม่ได้ผลเด็กไม่กลายเป็นสมถะไปแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ผลอันนี่ยมันก็ไม่ถูกหลักเพราะฉะนั้นการวางใจเนี่ยจะต้องวางใจให้ถูกนะวางใจให้ถูกนะวางใจสบายๆการปฏิบัติธรรมต้องสบายๆมีความสบายเป็นหลักนะแล้วก็รู้เรื่นๆแต่รู้เรื่อยๆก็คือรู้ให้ต่อเนื่องนั่นเองนะรู้เป็นขณะขณะไม่ต้องไปประคองเอาไว้รู้แล้วก็ทิ้งนะ รู้สั้นๆเท่านั้นเองนะรู้แล้วก็หลงแล้วก็กลับมารู้ใหม่แค่เนี้ยมันจะเป็นการทำเล่นๆนะไม่ได้ทำจริงนะทำเล่นๆแต่ทำให้ต่อเนื่องแค่นี้เองนะเนี่ยมันก็จะมันจะกลายเป็นการพัฒนาในการปฏิบัติให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะอันเนี้ยมันจึงว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเออเราจะต้องไม่ไปเพ่งไปจ้องเขานะอ่า ให้รู้เฉยๆก็พอแล้วนะีแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะี่ยทาให้ต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างที่เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวบ่อยๆก็คืออยาอยู่นิ่งๆเนะีแล้วก็อย่าไปอยากจะได้อะไรในการปฏิบัติเพราะการอยากได้นะเขาเรียกเป็นความโลภนะความโลภหรือเป็นตัณหาอย่างหนึ่งนะไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันก็จะมาปิดเขาเรียกว่ามาปิดสภาวะธรรจริงๆนะสภาวะทํามจริงๆเราก็จะเห็นว่าเออปฏิบัติไปแล้วเนี่ย มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะก็คือบางวันเนี่ยเราก็ไปบัตรได้ผลดีอีกวันหนึ่งเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ผลดีนะไม่เช้ารู้สึกตัวตอนบ่ายก็ไม่รู้สึกตัวก็มีนะมันจะแสดงสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงบ้างมันไม่เที่ยงนะอ่มันไม่เทียนะเท่ยงนะอ่แล้วมันก็ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวเรานั่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินยังกลมเดินแั้พักก็กลับมานั่งใหม่นะ มันจะเห็นสภาวะที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้เนี่ยต้องลุกต้องเปลี่ยนอยืนเดินนันน่นเราต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะอันนี้แหละคือเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วนะไม่ใช่ว่าเราอนั่งแล้วเราลุกขึ้นมาเดินเนะี่ยถ้าเราทำงั้นเราจะไม่เห็นความทุกข์นะแต่ถ้าเรานั่งนานๆนั่งนานๆไปนานนา น, น, านมันเมื่อยจังเลยนะอยากจะลุกขึ้นมาเดินบ้างเนะี่ยมันต้องรู้ว่าเออเราลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะแก้ทุกข์ในตรงนี้ว่าเรานั่งนานๆเนี่ย มันก็อยากจะเดินมันคือการแก้ทุกข์อย่างหนึ่งมันจะได้เกิดปัญญาว่าเออนี่คือความทุกข์นะเพราะเราทนในสภาว่าเดินไม่ได้นะครั้นนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันบางครั้งมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเมื่อวานเราปฏิบัติ ด, ดีวันนี้เราปฏิบัติไม่ดีมันจะเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะหรือเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นคิดไปสิบเรื่องยี่สิบเรื่องแต่เราก็รู้ทันนะ เราก็รู้ว่าเราบังคับความคิดไม่ได้เหมือนกันนะความคิดมันก็ทำงานเขาเองนะมันได้เข้าใจในตรงนี้ว่าความคิดนี่เราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้เหมือนกันนะพอบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแต่เราสามารถบังคับบัญชาให้เขาเนี่ยให้ความคิดหยุดคิดไปเลยนะให้จิตเนี่ยรู้สึกตัวตลอดเวลานะมัน ต, ต้องดีพร้อมทุกๆกครั้งที่เราปฏิบัติ ท, ทาอะไร อันนี้มันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา อ, อ, อีกเหมือนกันนะว่าเราบังคับบัญชาเขาได้เนี่ยใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นถึงสภาวะแห่งภัยลักณ์ก็คือความเป็นนิจจังทุกขนาตาเนะี่มันก็เจาะความทุกข์ไม่ได้เหมือนกันนะพราะตัวตนของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะก็คือกลับมาเห็นความจริงตรงนี้นะว่าสภาวะเมื่อทําเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ในตัวไม่ในตนของเรานะจิตจะได้กลับมาเห็นภัยรักษ จิตได้เกิดความเบื่อความนายในสภาวะที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจิตได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของเราไม่ใช่กายของเราไม่ใช่ใจของเราเราจึงบังคับบัญชาเขาไม่ได้เมื่อจิตคลายออกมาแล้วเนี่ยจิตก็จะเกิดความปล่อยวางนะในเมื่อตัวตนไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ย เราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติของเรานะไม่มีญาติพี่น้องอไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีสามีของเราจิตจะก็ค่อยคลายไปเรื่อยๆนะจิตจะก็จะเข้าใจความจริงนะจิตจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเลยนะเพราะว่าจิตเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงได้มากขึ้นแล้วเนี่ยการที่จิตเข้าใจความจริงได้มากขึ้นเนี่ยจิตจะเห็นสภาวะทุกอย่างนะเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้น ความทุกข์ความเจ็บความป่วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราจะเป็นมะเร็งจะเป็นเอชนะหรือประสบอะไรที่มันร้ายกาจเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นธรรมดาแบบนั้นเองนะเป็นสภาวะต่างๆเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อก่อนมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมรับเราก็มีความทุกข์นะแต่ว่าจิตเราเริ่มเข้าใจถึงสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตจะเกิดการยอมรับมากขึ้นนะยอมรับในสิ่งต่าง ทุกสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตจะยอมรับโดยที่ไม่ทุกเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ตัวเราเป็นมะเร็งปั๊บเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากนะมันจะคิดว่าเออทำไมต้องเป็นเรานะแต่พอผ่านมานานๆเนี่ยจิตจะค่อยๆยอมรับขึ้นมาว่าเออมันเป็นฉชนนั้นเองนะเราแก้ไขไม่ได้นะแต่ก็เป็นความทุกข์กว่าจิตจะยอมรับ เพราะฉะนั้นเมื่อถ้าจิตยอมรับได้เร็วนะมันก็จะไม่ทุกข์หรอกนะเป็นมะเร็งเออเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งก็แค่นั้นเองมันก็จบแล้วนะมันไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะมันก็แค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือความที่จิตเรายอมรับความจริงได้นะอันนี้นะมันจะต้องเกิดจากการที่เราปฏิบัติทํำไปบ่อยกลับมาเห็นไปบ่อยว่าเออมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นหน้าตานะบังคับบัญชาเขาไม่ได้จริงจริงนะจะกลับมาเห็นในตรงนี้นะเมื่อจิตยอมรับแล้วนะ ทุกอย่างเนี่ยทำเราทุกไม่ได้เลยเพราะเราสามารถที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอีกหน่อยนะแม้แต่ใครก็มาด่าเรามาว่าเราเนี่ยเราก็รู้สึกมันเฉยเฉยเพราะจิตมันยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะทุกอย่างเนี่ยเสมอกันหมดนะไม่เห็นความที่มันต่ํามันสูงมันดํามันขาวนะไม่เห็นความแตกต่างนะมันจะกลายว่าความเสมอกันไปเสมอเท่ากันนะจิตมันจะเห็นสภาวะต่างๆเนี่ย เสมอกันหมดนะไม่มีความแปลกความปลอมความที่มันไม่ธรรมดาแต่เห็นทุกอย่างก็คือธรรมดาทั้งหมดนะนี่แหละเราก็เริ่มต้นจากการปฏิบัติธรรมนะโดยการที่ว่าเราเจริญสติก่อนนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะสติสมาธิปัญญามจะเกิดขึ้นมาตามมานะปฏิบัติให้ถูกทางสีไฟให้ถูกทางไฟจะต้องติดแน่นอนนะก็ขอทุกท่านนะมีความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นยิ่งๆขึ้นไป เตรียมตัว